ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ส4มสิบูธรรมะกันสืบเนื่องจากเรื่องที่พูดไปแล้วพอก่อนนี่ก็พูดถึงเรื่ององค์ประกอบของจิตคือว่าด้านการฝึกจิตหรือสมาธิเนี่ยได้พูดถึงว่ามีองค์ธรรมสำคัญอยู่ อย่างน้อยสามตัวนี้เป็นตัวยืนในการทำงานของจิตนะซึ่งในชีวิตที่ดีงามจะต้องอาศัยมันเพราะฉะนั้นท่านก็ไปกำหนดไว้ในมรรคมีองค์8ดนะในฝ่ายของด้านจิตหรือสมาธิทั้งหมดเนี่ยก็มีความเพียรนะซึ่งอาจจะเรียกว่าความพยายามก็ความหมายก็ถือว่าใช้แทนกันได้ความเพียรพยายาม แล้วก็สติแล้วก็สมาธิความเพียรพยายามนี่ก็เป็นตัวที่สำคัญมากเพราะมันทำให้เกิดการขยับขยื่นเคลื่อนไหวทาให้ก้าวไปข้างหน้านี่ถ้าหากว่าไม่มีความเพียรหยุดนิ่งเฉยไปเลยไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็เท่ากับจิตไม่ทำงานนั่นเองจะทำอะไรแต่ อ, อะไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สำคัญ เพราะฉะนั้นจึงอยู่ในองค์มักนะเหมือนกับว่าขาดไปได้ในการที่ว่าจะให้เดินหน้าไปในชีวิตที่ดีงามแต่ที่จริงก็คือจะให้จิตทำงานนั่นแหละนี่ก็ต่อไปตัวที่สองก็สติสติก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวจับเป็นตัวกาหนดทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการนีถ้าหากว่าสิ่งที่เราต้องการ จะเกี่ยวข้องอยู่นะมันไม่ได้อยู่กับจิตไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรา่เงี้ยเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสติก็เป็นตัวสำคัญขาดไม่ได้กแหละนะจะทาอะไรกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็ต้องอยู่นะอยู่กับเราอยู่กับที่จิตของเราอยู่ต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นสติก็เป็นตัวเนี่ยจับเอามาวางไว้ให้เราทำงานได้เอาตัวที่สามสมาธิอีก สมาธิใ น, นกะทะจิตมันไหวมันแกว่งมันทรายมันถูกกวนอยู่มันก็ทํางานไม่ได้อีกนะอย่างที่พูดไปแล้วบอกว่าสมาธินั้นมันทําให้เกิดความอยู่ตัวนะเหมือนกับมีที่รองรับเมื่อที่รองรับนั้นมันมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรต่อะไรที่ตั้งอยู่บนนั้นก็อยู่ได้ ถ้าที่รองรับนะั้นมันไหวมันคลอนแคลนอะไรจต่อะไรอยู่บนนั้นก็กลิ้งละเนระนาดล้มหรือหล่นไปเลยเพราะนั้นเป็นอันว่าจิตจะทำงานต้องอาศัยเจตัวเนี่ยสามตัวหนึ่งต้องมีวายามะหรือมีวิริยะมีความเพียรทําให้ขยับขยืดนเคลื่อนไหวนแล้วก็ต้องมีสติเป็นตัวจับเอาไว้แล้วก็มีสมาธิเป็นตัวที่ทำให้มัน อยู่อยู่นิ่งอยู่ตัวไม่สายไม่แกว่งไม่ไกวไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่แข็นแล้วก็ไม่ถูกกวนเพราะฉะนั้นในองค์มรก็ไปเป็นความเพียรพยายามที่ถูกต้องเพราะต้องการเป็นชีวิตที่ดีทามันก็เพียรได้ทั้งกันในทุกกรณีแต่ว่าเกิดเพียรไม่ถูกต้องไปใช้ในเรื่องเสียหายก็มันก็ไม่เป็นมรก อันนั้นก็เลยต้องเติมสัมมาครับ ข, าาข้างหน้าสัมมาวายามะเพียรชอบแล้วก็สติก็ต้องเป็นสัมมาสติใช้สติในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบแล้วก็สัมมาส ม, มาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ชอบที่ถูกต้องก็ไปอ่านว่าองค์ทำสามอย่างฝ่ายจิตนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งแล้วก็ได้พูดอธิบายไปแล้วว่า สมาธินั้นทำให้จิตมีลักษณะสำคัญสาประการนันนี้อธิบายไปยาวแล้วนะฮะว่าโดยสรุปก็คือหนึ่งทำให้จิตมีกำลังมีพลังแข็งแรงเหมือนกับ น, น้ำที่ไหลไปทางเดียวนะเป็นร่องเป็นรางเป็นทางไปนะสองก็ทำให้จิตใสเหมือนกับ น, น้ำที่ว่าตั้งอยู่ในที่สงบนิ่ง บนที่มันมั่นคงก็ตกตะกอนแล้วก็น้ำใสมองเห็นอะไรต่างๆเอื้อต่อปัญญาแล้วก็สามก็ทําให้จิตสงบไม่มีอะไรกวนแล้วก็เลยทําให้เกิดความสุขเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรกวนจิตมันก็สบายนะี่สอย่างนี้ต้องเอามาใช้ประสานกันในทางที่ดีงามก็คือมาใช้ในการทํางานของจิต ที่ทําให้จิตเป็นกรรมนิยะแปลว่าจิตนั้นควนรแก่การงานเหมาะ ก, กับการใช้งานพระเหมาะ ก, กับการใช้งานก็เอาไปหนุนปัญญานีก็ทําให้ปัญญานี้ทํางานได้ผลดีนี่ถ้าใช้ไม่ถูกทางก็อาจจะเอาพลังจิตเวไทยใช้ทางฤทธิเดชปาฏิหารฮึกเหมิมใจหรือว่าเอาไปใช้ในทางสงบก็เลยถ้าติดเพลินไปสบายก็เลยขี้เกียจ ขณะก็ต้องเอาทั้งด้านพลังความแข็งแรงเข้มแข็งของจิตนี้แล้วทางด้านของความสงบเนี่ยมันหนุนการทํางานในด้านที่ว่าจิตมันผ่องใสแล้วก็ทําให้มองเห็นอะไชัดเจนคือเกื้อหนุนกับการใช้ปัญญาถ้ามันได้ลักษณะสมอย่างนี้มันหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็มาประกอบประสานทําให้จิตทํางานได้ผลดีนะฮะไปสู่จุดหมาย ทีนี้ก็ได้พูดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเนี่ยตัวสมาธิเองเนี่ยเพราะเหตุที่มันทําให้จิตมันสงบมันไม่ถูกอะไรกวนมันก็ทําให้มีความโน้มเอียงในทางที่ว่ามีความสุขสบายแล้วก็ชักจะเสวยความสุขเมื่อเสวยความสุขมันก็เลยเกียรตคล้านเพราะฉะนั้นเจ้าตัวสมาธิก็เลยเปิดช่องให้แก่โกสัศะไปว่าความเกียดคล้าน ความเกลียดค้านก็ไปกันได้กับสมาธิเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีเจ้าวายามะหรือวิริยะคือความเพียรเนี่ยมายคอยทวงดุลไว้มาช่วยนั่นเองมาช่วยไม่ให้มันขี้เกียจไม่ให้มันอยู่นิ่งให้มันเคลื่อนไหวให้มันก้าวหน้าไปอันนั้นก็เลยให้สมาธินเนี่ยกับความเพียรเนี่ยเข้าคู่กันน อนน้ถ้าความเพียนซึ่งมันเป็นตัวทําให้เดินหน้าเนี่ยมันจะไปหน้าท่าเดียวเนีเท่าดัดไปหน้าท่าเดียวนี่มันรีบมันร้อนมันทำให้พลุ่งพลาดอันนั้นก็ทำให้เสียการเหมือนกันความเพียนแรงไปพลุ่งพลานไปรีบเร่งไปบางทีก็ไม่ได้ผลใช่ไมทั้งทที่มีแรงรัแหละแต่ว่าทําให้พลาดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีสมาธินี่จะทาให้ความเพียนนี้ มันไปได้อย่างสม่าเสมอได้ผลดีเพราะฉะนั้นมันต้องได้ทั้งสองอย่างนะว่าเพียรก็ต้องอาศัยสมาธิมาช่วยเดินหน้าก้าวหน้าไปแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยใช่แต่เจ้าสมาธิเองเอา้าเดี๋ยวมีแต่สมาธิก็จะหยุดนิ่งอีกสบายก็ต้องเอาเพียรมาคอยเราคอยผลักคอยดันไปนะนี่แหละครับก็เพราะนั้นสมาธิกับความเพียร น, นี้ก็เข้าคู่กัน ก็ได้พูดไปแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสติสตินี่เป็นตัวที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นตัวที่ว่าอ้าวเป็นตัวที่จะทําให้รู้ด้วยบอกให้รู้ว่าเออตอนนี้ไอ้เจ้าสมาธินี่มันชักจะสงบสบายไปนะขาดความเพียรมันก็จะเป็นตัวบอกให้รู้แล้วก็เอาความเพียรมาใช้มันเหมือนเป็นยาม มันเป็นยามคอยตรวจตราคอยสอดส่องทีนี้ถ้าหากว่าเพียรมากไปเจ้าสติก็บอกอีกว่าเออตอนนี้เพียรมากไปแล้วน ะ, นะให้มีความสงบบ้างอย่าพลุ่งพล่านรีบเร่งเกินไปนั่นก็จะทำให้เกิดความพอดีเพราะนั้นสตินี้ก็เป็นตัวที่มีความสำคัญทีนี้เรื่องวิริยะความเพียรกับสมาธินี่พูดไปแล้วพอสมควรวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องสติ ซึ่งอยู่ในสมองค์ประกอบในฝ่ายจิตเนี่ยที่มีความสำคัญนิสติคืออย่างไรนะสติต่างกับสมาธิอย่างไรนะสตินี้เป็นตัวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมันจะมีเรื่องต้องพูดอีกเยอะเลยวันนี้เอาเฉพาะในแง่ที่ว่าสติคืออย่างไรแล้วก็ทำงานสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรอยู่ในฝ่ายจิตด้วยกัน สตินั้นเราแปลกันว่าความระลึกได้นะถ้าแปลง่ายกว่านั้นเป็นไทยแท้ก็นึกนั่นเองนะเอาเป็นว่านึกก็ตามระลึกก็ตามก็เป็นสติลองนึกดูสิฮะภาษาไทยเนี่ยนึกกับระลึกเนี่ยคล้ายๆกันนะนึกถึงอะไรระลึกถึงอะไรคล้ายๆกันนึกไม่เหมือนคิดนะคิดคนละอย่างนะนึกนี่มัน ดึงออกมาจิตไปกําหนดอันนั้นเอาไปว่าแปลกันไทยง่ายๆก็ระลึกบ้างนึกบ้างแต่ว่าถ้าแปลให้เป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยเราต้องมาเทียบกับเรื่องของวัตถุสตินี่ก็ทําหน้าที่เป็นตัวที่จับเป็นตัวที่ยึดเป็นตัวที่กําหนดเป็นตัวที่ดึงเป็นตัวที่ตรึงะ เอาง่ายๆว่าดึงดีกว่าดึงนี่เป็นรู ป, ปรธรรมที่มีความหมายใกล้กับคำว่าระลึกหรือนึกนะฮะลองคิดสิว่าระลึกในทางจิตใจก็ดึงในทางรู ป, ปรธรรมเนี่ยจะคล้ายๆกันดึงดึงนี่เป็นยังไงคือหมายความว่าสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันจะเลยไปเราจะเอามันไว้ถ้ามันผ่านไปเราจัดการกับมันไม่ได้ เราก็ดึงมันไว้ก่อนไม่ยอมให้มันผ่านเลยไปนะนี่หนึ่งแล้วนะดึงไว้อ่มันผ่านมาแล้วมันจะเลยไปซะดึงมันไว้ก่อนเนพราะเราจะจัดการกับมันเราจะทำงานกับมันนะต้องดึงไว้ถ้ามันผ่านไปเราก็ทำงานกับมันไม่ได้อ้าวทีนี้หนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาแลวจะผ่านไปก็เลยดึงมันไว้นมันก็อยู่ ต่อหน้าเราเราก็ทำงานกับมันได้ทีนี้สองสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันมาทีหนึ่งแล้วทีนี้มันผ่านไปมันก็คือไปอยู่ในความทรงจําของเราสิ่งอะไรก็ตามถ้ามันผ่านมาแล้วมันเลยไปแล้วก็คือมันเข้าไปอยู่ในความทรงจำตอนนี้มันไม่อยู่ต่อหน้าเราแล้วเพราะมันอยู่ในความทรงจำทีนี้เราต้องการจะทำงานกับมันทาไงล่ะก็ดึงมันออกมาจากความทรงจาใหม่ดึงออกมาจากความทรงจามาอยู่ต่อหน้าเราอีก นี่แหละดึงในกรณีนี้จะใกล้กันมากกับคำว่าระลึกใช่ไหมเช่นว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไปอยู่ในความทรงจำเราระลึกขึ้นมาก็คือดึงมันกลับขึ้นมาพอดึงมันกลับขึ้นมาก็อยู่ต่อหน้าเราก็ทำงานกับมันได้อีก เ, อเช่นทำงานกับมันเช่นลยเช่นจะดูงี้จะดูให้มันชัดนะ่มันผ่านมาแล้วเห็นมันนิดเดียวแว บ, บหนึ่งมันยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร ยังไม่รู้รายละเอียดอา้าวดึงมันไว้ก่อนเพราะมันอยู่ต่อนหน้าก็ดูชัดเจนทีนี้สิ่งที่ผ่านไปแล้วไปอยู่ในความทรงจําก็เหมือนกันเอ๊มันยังไงกันแน่นะ่ะ อ, อยากจะดูให้มันชัดอีกทีเนะี่ยดึงมันกลับเข้ามาก็มาดูชัดนะฮอา้าวเป็นอัานว่าได้ความแล้วนะฮะนี่แหละครับสติละสติก็คือดึงเอาสิ่งที่ ผ่านเข้ามาแล้วจะผ่านเลยไปไม่ให้มันผ่านไปดึงเอาไว้ให้มันอยู่ต่อหน้าจะได้ทำงานกับมันหนึ่งนี้ปัจจุบันสองก็คือดึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตเป็นความทรงจากลับออกมาอยู่ต่อหน้าเราใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานของสตินี้สาคัญา่าถ้าสติไม่ทำงานสักอย่างสิ่งนั้นไม่อยู่กับเราแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนยก็คิดว่าคงจะเข้าใจ อันี้พอเข้าใจาการทํางานหน้าที่ของสติและความหมายมันอยู่ด้วยกันหมดแล้วก็จะโยงไปถึงความสัมพันธ์กับองค์ธรรมอื่นที่สําคัญก็คือสมาธิเนี่ยสมาธิกับสตินี่ต่างกันสตินี่มันดึงไว้ทีนี้ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาถ้าสิ่งนั้นมันจะไหวจะแกว่งก็จะออกไปเรื่อย แต่ว่าทีนี้ในเรื่องจิตของตัวของคนเนี่ยมันมีการที่ว่าถ้าดึงไปดึงมาดึงนานๆเข้าเนี่ยบางทีมันอยู่ตัวเลยมันอยู่ได้อยู่นิ่งเลยนะีถ้ามันอยู่นิ่งมา่อไหมันอยู่ตัวได้นะมันไม่หลุดลอยออกไปอีกมันไม่คอยจะหลุดลอยไปไม่ต้องคอยดึงอยู่ภาวะที่มันอยู่ตัวอยู่ได้อยู่กับที่นั้นได้เรียกว่าเป็นสมาธินะีย ก็ท่านโมุปมาเหมือนอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปจับเอาวัวป่ามาวัวป่าดีกว่าวัวป่ามันก็พยศนะฮะจับเอามาแล้วนี่มันก็จะหนีเข้าป่าเรื่อยทํำยังไงล่ะเออเราก็จะต้องเอามาให้อยู่ตอนแรกมันจะไปเรื่อยเราก็ต้องเอาเชือกมาผูกมันไว้ เชือกผูกไว้กับอะไรกับกับหลักต่อหลักเข้าไปแล้วก็เอาเชือกมาผูกโยงระหว่างหลักกับวัวอา้าวมีสามอย่างหนึ่งวัวพยศสองหลักสามเชือกอันอนี้ไอ้เจ้าวัวพยศนะั่นเปรียบได้กับจิตของเราเจ้าจิตของเรานี่มันเหมือนวัวพยศคือมันไม่อยู่มันจะไปเรื่อย ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นเรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจะหาทางให้วัวอยู่อยู่กับอะไรอยู่กับหลักไงหลักนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการหลักคือสิ่งที่เราต้องการไอ้เจ้าวัวคือจิตของเราเนี่ยมันไม่ยอมอยู่มันจะไปเรื่อยเราจะพยายามให้จิตของเราคือวัวเนี่ยมันอยู่กับหลักคือสิ่งที่เราต้องการเราก็เลยเอาเชือกมาผูกมัน เชือกนี้เปรียบได้กับสติเนี่ยเชือกเป็นสติเป็นตัวดึงไงเนี่นี่แหละสติเป็นตัวดึงอ่ะเหมือนกับเชือกดึงไว้เจ้าวัวพยศนี่จะไปจะหนีไปทีไรเจ้าเชือกก็ดึงไว้ทุกทีไปไม่ได้สักทีนะฮะพ อ, อะดึงเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแหละเดินพลานพลานพลานไปไม่ได้เดี๋ยวดึงออกไปแหล ะ, ะมันจะออกไปเจ้าเชือกก็ดึงมันไว้ไปไม่ได้สักที เจ้าบัวพยศนี่นานเข้านั้นค่าจะอ่อนอกอ่อนใจนะดึงกันไปดึงกันมาในที่สุดก็เลยมาหมอบอยู่กงหลักนั่นเองนะฮะพอมาหมอบนิ่งอยู่กับหลักได้นี่ท่านบอกว่านี่คือสมาธิแหละนะตอนนี้ไอ้เจ้าเชือกคือสตินี่เหมือนก็นไม่ได้ทําหน้าที่ดึงแล้วนะใช่ไหมพอบัวมันอยู่มันหมอบเนี่ยเชือกว่าอยู่เฉยเฉยเชือกไม่ได้ทําหน้าที่ดึงแต่ว่าเชือกไม่ได้ปล่อยนะ เชือกมันก็ยังผูกอยู่นะมันทําหน้าที่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เด่นออกม า, าเพราะว่าถ้าเจ้าวัว น, นี่เกิดออกไปเมื่อไหร่ก็เจ้าเชือกก็เอาอีกนนี่คือเรื่องของสติกับสมาธินะฮะเป็นอันว่าตอนที่เจ้าวัวยังพยศพยายามออกไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็เจ้าเชือกคือสติดึงไว้เนี่ยน ตอนนี้ก็คือการทํางานของสติเมื่อไหรเจ้าวัว น, นั้นมันยอมอยู่นิ่งหมอบอยู่กับหลักอันนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้มีคําที่ควรจะรู้เพิ่มนิดหน่อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าวัวพยศนั้นเปรียบได้กับจิตแล้วก็เชือกนั้นเปรียบได้กับสติทีนี้หลักนั้นแหละหลักเนี่ยคือสิ่งที่จิตเรากําหนด มีศัพท์ทางพระเรียกว่าอารมณ์นะอันนี้เป็นศัพท์พิเศษเพราะว่ามันจะสับสนกับภาษาไทยภาษาไทยเราพูดว่าอารมณ์เราหมายถึงความรู้สึกในใจเช่นความรู้สึกเสียใจความเศร้าความโกรธอะไรต่างๆเราเนี่เราเรียกว่าอารมณ์พอใช้ในภาษาไทยอย่างนี้แล้วทําให้วุ่นหมดสับสนหมดเวลาพูดศัพท์พระว่าอารมณ์นี่มันไปคนละเรื่อง อารมณ์มหมายถึงสิ่งที่จอสิ่งที่จิตกําหนดนะสิ่งที่จิตรับรู้นะอะไรก็ตามแม้แต่ทางตานะสิ่งที่ตาเห็นก็เรียกว่าอารมณ์ทางตาสิ่งที่ได้ยินทางหูก็เรียกว่าอารมณ์ทางหูนะคือเสียงนั่นเองเสียงก็เป็นอารมณ์รูปก็เป็นอารมณ์ของตาเสียงก็เป็นอารมณ์ของหูกลิ่นก็เป็นอารมณ์ของประสาทจมูก แล้วก็รสก็เป็นอารมณ์ของลิ้นแล้วก็สิ่งที่คิดที่นึกในใจทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของจิตใจการที่ภาษาไทยมันเพียนไปก็คงเริ่มจากสิ่งที่เรานึกเราคิดใ น, ในใจนี่แหละนมันมีอารมณ์คือสิ่งที่ใจนึกคิดนี่นี่เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งแน่ในสิ่งที่ใจนึกคิดนี่ที่ใจรู้นี่มันเยอะเหลือเกินมันรวมทั้ง ความรู้สึกด้วยรวมทั้งความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆความสุขความทุกข์เนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรับรู้หมดเลยจากความหมายแคบๆในด้านอารมณ์ทางจิตรหรือสิ่งที่จิตรับรู้เนี่ยภาษาไทยก็ค่อยๆเพี้ยนค่อยๆคลาดเคลื่อนไปแคบเข้าไปเรือเท่านี้พอพูดภาษาไทยก็เลยเอาอารมณ์ไปเป็นอี o t i o นในภาษาอังกฤษที่จริงนั้นถ้าแปลไปภาษาอังกฤษนั้น คำว่าอารมณ์นี่เขาจะแปลว่า s e n ส e Object นะสิ่งที่รับรู้นั่นเองคิดว่าเท่านี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะฮะเรื่องความสัมพันธ์รวมทั้งความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิ น, ะ น, นี้อีกอย่างนึงที่ควรจะพูดก็คือว่าในเมื่อสตินี่เป็นตัวดึงไว้ แล้วก็พอจิตมันอยู่ตัวได้ก็เป็นสมาธิเราก็จะเห็นว่าเออในการฝึกจิตก็เหมือนกับฝึกวัวเหมือนกันตอนแรกต้องใช้สติดึงไว้ก่อนดึงจิตให้อยู่กับอารมณ์คือหลักแล้วต่อมาสมาธิจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการฝึกสมาธิต้องเริ่มด้วยสตินะให้นึกเลยให้มองดูวิธีฝึก สมาธิทั้งหลายนะ่จะต้องเริ่มด้วยสติถ้าสติมันไม่มาทำงานแล้วสมาธิมันจะอยู่มันจะมาได้ยังไงใช่ไหเพราะฉะนั้นวิธีฝึกสมาธิหลายอย่างจะมีชื่อลงท้ายว่าสตนะิวิธีฝึกสมาธิแต่ทำไมชื่อเป็นสติละอ้าวก็เพราะว่าเราใช้สติเนี่เป็นตัวเริ่มต้นให้ในการฝึกแล้วสมาธิจึงตามมาอย่างเช่นอาณาปานาสติ สติกำนด์ลมหายใจเมานี่ตอนแรกก็ต้องใช้สติกำนด์ลมหายใจพอสติกำนดไปกำนดมามันจะลอยไปมันจะหายไปแล้วก็เอาสติดึงไว้เนะี่ยสู้กันอยู่อย่างเนี้ยนะีสติมันก็ทำงานตอนแรกในยุ่งจังและสติทำงานหนักมากจนกระทั่งเมื่อไจิตมันอยู่กับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิเนะี่ยกว่าจะได้สมาธินี่สติทำงานหนักขนาดไหนนะดังนั้น วิธีฝึกสมาธิมากมายจะมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าสติพุทธานุสติสติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าธรมานุสติสังขานุสติจารานุสติศีลานุสติ่หมวดหนึ่งเลยเป็นเรื่องของอนุสติมรณสติถึงแม้หมวดที่ไม่มีชื่อวัตสติลงท้ายเวลาฝึกก็ต้องใช้สตินั่นแหละ เป็นอันว่าในการฝึกสมาธินั้นก็ต้องใช้สติมาเริ่มต้นให้นะเมื่อสติเริ่มต้นให้แล้วจิตอยู่ตัวได้ก็ไปสู่สมาธิแต่เมื่อจิตเป็นสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าสติมันเลิกทำงานนะสติมันก็คลออยู่แต่ว่ามันไม่เป็นตัวเด่นอีกต่อไปแล้วต่อจากนี้สมาธิจะเป็นตัวเด่น น, นี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกในเรื่องจิตใจ ในกระบวนการปฏิบัติที่เราพัฒนาด้านจิตก็จะพูดถึงความสัมผั์แบบนี้แต่ว่าในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสติจะเป็นตัวที่ทำงานเด่นมากเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องกำหนดเรื่องที่เราจะทำต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลายังขับรถเป็นต้นขับรถนี่จิตม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นก็คือว่าอยู่กับรถอยู่กับการขับรถนะ ถ้าสติไม่ทำงานปั๊บคือใจลอยใจลอยเป็นนึกเรื่องอื่นอะไรเกิดขึ้นมีหวังใช่ไหมฮะเนี่ยอุบัติเหตุก็มาเพราะนั้นสตินี่เป็นตัวแกนในการที่จะไม่ประมาทที่ว่าไม่ประมาทก็คือมีสติกาหนดอยู่นะแต่ว่าไม่ประมาทนะัหมายถึงอาการเป็นอยู่ของมนุษย์นะแต่สตินี่เป็นตัวคุณสมบัติเป็นตัวองค์ทรรมที่ทำงานสตินั่นแหละ เป็นตัวที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็สตินี่ไม่ไม่ทำให้เราไม่ประมาทสติเป็นตัวแกนเป็นตัวหลักให้เราก็เพียนพยายามปฏิบัติไปตามสิ่งที่เราระลึกได้นึกไดนะ้ที่เกี่ยวข้องก็ทําไปมันก็ไม่ประมาทนะก็คิดว่าพอสมควรวันนี้ก็จะพูดไว้สั้นๆก่อนพรุ่งนี้จะพูดเรื่องสติกับปัญญานะวันนี้เอาสติกับสมาธิเริ่มด้วย ความหมายและการทำหน้าที่ของสตินะก็ทวนซ้อีกนิดหนึ่งว่าสตินั้นเราแปลกันว่านึกหรือร ะ, ระลึกก็คือหน้าที่ในการดึงดึงให้จิตนั้นอยู่กับอารมณ์นะคือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทำให้จิตของเราทำงานได้ในะสติตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการพัฒนาจิตใจและในการเป็นอยู่ที่เรียกว่าชีวิตที่ดีงามจะเป็นไปนได้ต้องอาศัยสติก็อยู่ในองค์ธรรมสามประการในหมวดของจิตหรือหมวดสมาธิคือวายามะวิริยะความเพียรแล้วก็สติแล้วก็สมาธิเอานะครับวันนี้มีอะไรสงสัยไหม เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิก่อนอื่นที่เราจะปฏิบัติสมาธิเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆการถ้าเราเรียกว่าไปยัดถูกต้องไหครับปริยัติเนี่ยต้องรู้ว่าไม่รู้แล้วก็มันก็คขำถ้าไม่รู้มันก็ลองผิดลองถูกก็เริ่มก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมาก่อนปริยัติคืออะไร ปริยัติคือคําบอกเล่าประสบการณ์ของท่านผู้ได้ปฏิบัติมาก่อน น, นั่นเองซึ่งในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าปริยัตินั้นมุ่งออกับพุทธพจน์นะไม่ได้มุ่งออกับอื่นนะที่ว่าทีนี้ปริยัติคือพุทธพจน์คําบอกเล่าประสบการณ์ของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอามาเล่าให้เราฟังเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนก็เลยเรียกว่าปริยัติคําว่าปริยัตแปลว่าสิ่งที่จะต้องเล่าเรียน เราเรียนอะไรก็เล่าเรียนพุทธพจน์คือคําบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าก็เราจะเอาประโยชน์จากพระพุทธเจ้าหนึ่งระนับถือพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงอ้าวทีนี้เราก็จะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ก็คือเราจะเอาประโยชน์จากพระองค์นี ถ้าเราไม่ไปเรียนรู้ว่าพระองค์ไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนว่าอย่างไงแล้วเราจะไปทําไงล่ะก็เราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเองไม่ยังไงนะเป็นพระพุทธเจ้าเองเราก็ยังเป็นไม่ได้เราก็ต้องไปเริ่มําเพ็นบารมีต้องไปลองผิดลองถูกนะไปลองยังไงละ่ะนะไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมปริยัติไม่มีอะไรมันก็คืออย่างที่ว่าง่ายๆคําคบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดต่อกันมาถึงเรา ถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือทรงปฏิบัติมาก็ต้องเรียนปริญญาตเช่นนั้นแต่ว่าปริญญาตเนี่ยอาจจะเรียนแคบๆคือว่าแทนที่จะเรียนโดยตรงจากคัมภีร์ก็อาจจะเรียนจากพระอาจารย์การเรียนจากพระอาจารย์แบบหนึ่งก็คือว่าเรียนเฉพาะส่วนที่ต้องใช้แล้วก็ฝากความไว้วางใจแก่อาจารย์โดยสมบูรณ์เรียกว่าขึ้นต่ออาจารย์เป็นปริญญาที่ขึ้นต่ออาจารย์หมายความว่า จะใช้แค่ไหนอาจารย์จะบอกแค่นั้นและอาจารย์จะเป็นผู้กําหนดว่าจะให้รู้แค่ไหนนั้นเวลาไปถึงอาจารย์บอกไม่ต้องเรียนอะไรเธอฟังฉันอย่างเดียวเนีนั้นอาจารย์ก็จะบอกวันนี้เอานี้นะเอ้าไปกําหนดลมหายใจเวลากําหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธนี่คือบอกปริยัติแหละใช่ไหมปริยัตินี่คือคําบอกเล่าประสบการณ์แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ เป็นผู้เริ่มต้นเองก็ต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดต่อกันมาแล้วก็เอามาบอกกับลูกศิษย์เพื่อให้ใช้ทีละนิดละนิดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกแค่นี้เอานะเธอไปกําหนดหลวงพ่ใหญ่บอกเท่านี้ก็เป็นปริยัติแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกปริยัตแค่ไหนทีนี้อาจารย์อาจจะมีความกรุณาต่อศิษย์เห็นว่าถ้าลูกศิษย์ไปเรียนมากเลือกไม่ถูกฟุ้งซ่าน แล้วก็จับผิดจับถูกก็จะทําให้วุ่นวายนะแทนที่จะปฏิบัติได้ผลก็เลยผิดพลาดไปพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออฉันมีประสบการณ์ฉันปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนมาก่อนดังนั้นเธอฟังฉันก็นแล้วกันฉันจะบอกให้ดังนั้นพระอาจารย์ก็จะบอกให้อย่างที่ว่าเอาแค่ไปใช้ปฏิบัติจริงๆเลยแค่นี้แค่บอกว่าเอา้าวันนี้ไปกําหนดลมหายใจเข้าออกนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ หรือจะบอกว่านับหนึ่งถึงสิบหรือจะบอกว่าหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทนท่านไปบูนถามถามใหม่สิฮะ หลักสูตรอะไรฮะบอกคนธรรมดาเกี่ยวกัแบบที่เรียนเรศาสนาแล้วหนังสือแล้วเขาเขียนว่างไงเกี่ยวกับเรื่องนะการปฏิบัติตนนะครับสามารถจะบรรลุในระดับคนธรรมดาเนี่ยบรรลุโสดาบันได้อันนี้จุดตรงนี้เนี่ยผมไม่แนเ่นเป็นคําบรรยายในหลักสูตรที่อยู่ในเอกสารแต่เรียนเล่มหนึ่งผมก็จำไม่ได้อันนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าหนังสือหรือเอกสารนั้นมาผิดก็ต้องว่าผิด แต่ผมไม่ทราบนะคำบรรยายเขาว่าอย่างไงก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าคําว่าคนธรรมดามันก็คนธรรมดาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรพอบรรลุแล้วก็เราก็เลยเรียกเป็นพิเศษอันนั้นคำว่าคนธรรมดานั่นก็คลุมเครือถ้าคนธรรมดาหมายหมายถึงปุตุชนแล้วก็ปุตชชนก็ไม่ใช่โสดาบานันถ้าเป็นโสดาบานันก็ไม่ใช่ปุตุชนใช่ไหมนี่คนธรรมดาเี่แม่แต่เราจะบอกว่าพรพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดามันก็พูดได้นะ เห็นก็แล้วแต่คําว่าธรรมดานี่มันเป็นคําที่ไม่มีความหมายจำเพาะเพราะนั้นอันนี้ต้องมาตกลงกันก่อนว่าคําว่าคนธรรมดานี่หมายความว่าไงนะเพราะอย่างเราพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเราเล่นสํานวนเราบอกไนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมดาว่าไงใช่ไหมเออก็ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําพูดเหล่านี้ต้องมาตกลงกันให้ชัดก่อนให้คนธรรมดานี่แหละ กับบรรลุเป็นโสดาบัณจนกระทั่งเป็นพระราหันเป็นพระพุทธเจ้านีแต่ว่าพอเป็นคนธรรมดาตอนแรกมันเป็นปุถุชนก่อนทีนี้พอเป็นปุถุชนพอว่าได้บรรลุธรรมกำจัดกิเลสสังโยชน์สาเบื้องต้นใดก็เป็นพระโสดาบัณฑไปใช่ไหมก็เปลี่ยนจากปุถุชนเอาก็เป็นอันว่ามันมีหลักการที่ชัดเจนนะฮะอันั้นอาจจะไปเป็นปัญหาเรื่องถ้อยคำก็ได้ ทีนี้จุดสงสัยเนี่ยอยู่ที่ถ้อยคําหรืออยู่ที่หลักการอยู่ที่หลักการครับสงสัยยังไงสงสัยในเรื่องของคำว่าถึงโสดาบันครับเาะว่าเรปฏิบัติปฏิบัติชอบขั้นถึงปริญญาปฏิบัติหรือปฏิเวทคนที่ได้รับที่จะเข้าสู่ปฏิเวทที่ว่าคือโสดาบันนะครับหลักการที่จะสู่จุดตรงนั้นในระดับสามัญชนทั่วไปพระองค คือการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของปุุ้ชนเนี่ยสามัญชนเท่านั้นแหละนะฮะเป็นแต่เพียงว่ามีชันทะแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติแล้ก็วิธีปฏิบัติมันก็จะมีว่าอา้าวถ้าจะพูดกว้กางก็มีสมถาวิปัสสนานี่เป็นต้นใช่ซึ่งเราก็จะพูดกันต่อไปน่สมถะนั้น จุดมุ่งหมายก็คือให้จิตเป็นสมาธิจะได้มาช่วยให้จิตเนี่ยทำงานได้ผลดีอย่างที่เราพูดอยู่ในสมาธินี่มันตัวทําให้จิตทํางานได้ผลดีเราก็ต้องให้จิตมันอยู่ในภาวะทํางานได้ดีก่อนสิเพราะว่าในการที่จะได้บรรลุธรรมกำจัดกิเลสเนี่ยจิตต้องทํางานอย่างน้อยทํางานในด้านปัญญานี่ถ้าไม่มีสมาธิจิตทํางานไม่ได้ ไม่ได้ผลดีอ่ะทำงานแต่เต็มที่ทำงานไม่ได้ผลดีมันก็การที่จะบรรลุธรรมก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสมาธิอย่างน้อยระดับหนึ่งพอให้จิตมันทำงานได้ในระดับที่เราต้องการหรือจำเป็นจะต้องใช้เราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่าสมถะมาฝึกจิตให้เกิดสมาธิทีนี้พอจิตเกิดสมาธิทีนี้ก็มีว่ า, าระดับไหนล่ะ เราบอกว่าเราไม่เอามากเราเอาสมาธิพอใช้งานในทางปัญญาเราเอาเท่านี้เราก็มาตกลงกันว่าเอาระดับไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกพื้นเพแต่ละคนนี่มันต่างกันบางคนนั้นนะ่ะปัญญาแหมปัญญานี่เฉียบคมมากแม้ว่าจิตจะไม่แน่วเท่าไหร่แต่พอให้จิตมัน อยู่ตัวนิดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญญาเฉียบคนมันได้ยินได้ฟังอะไรนิดเดียวจิตในเวลาที่อยู่ตัวนิดเดียวมันแทงทะลุเลยบางคนนี่ปัญญาไม่เฉียบคมเน่ทือต้องใช้เวลาทีนี้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธินานๆแกเอาไม่รอดใช่ไหมแกแกแทงไม่ทะลุพอจะดูยังไม่ทันชัดอ้าวไปซะและ้วทีนี้คนที่ปัญญามันเฉียบคมเนี่ยมันแว บ, บเดียวมันได้เลย เพราะนันมันไอความต้องการสมาธิก็ไม่เท่ากันใช่แต่ว่ามันต้องการนิดนึงแหละคือมันเป็นจำเป็นทุกอันอ้าวอันนี้ก็เลยพูดเลยต่อไปที่เรื่องกระบวนการปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้ที่จริงก็นอกเรื่องสาหรับวันนี้นะฮะถือเป็นเรื่องพิเศษไปว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องการธรรมะสามบทที่เราเรียกว่าใจสิกขาเนี่ยมาทำงานครบเลยคือศีลสมาธิและปัญญา ศีลสมาธิปัญญาต้องครบเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมพฤติกรรมก็ต้องใช้จิตก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องใช้นีมันต้องมาทํางานประสานกันอั น, ะนี้ท่านเปรียบบอกว่าศีลเนี่ยนะเหมือนกับพืน้นพื้นที่เหยียบที่ยันพฤติรกรรมกายวาจาขาองเรานี้ต้องตั้งหลักได้มีความมั่นคงอยู่ตัวพอสมควรอันนี้ถ้ามันอยู่ตัว มันตั้งหลักได้มั่นเนี่ยพฤติกรรมของเราคือศีลนั่นเปรียบเหมือนกับพื้นที่เหยียบที่ยันทีนี้สองฝ่ายจิตคือสมาธินั่นเหมือนพลังที่จะทำงานต้องมีความเข้มแข็งที่จะทำงานสปัญญาเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ทำงานยกตัวอย่างว่าเราจะตัดต้นไม้ หนึ่งต้องมีที่เหยียบที่ยันสองต้องมีกําลังสามต้องมีอุปกรณ์คือเครื่องมือซึ่งควรจะคมเช่นมีดหรือขวานใช่ไหมอา้าวทีนี้เรามีสามอย่างและหนึ่งเราก็มีพื้นที่เหยียบที่ยันได้แก่ศีลสองมีกําลังคือจิตได้แก่สมาธิเป็นแกนแล้วก็สามมีอุปกรณ์คือขวานหรือมีดที่คมได้แก่ปัญญา ถ้ามี3ามอย่างนี้เราทํางานตัดต้นไม้ได้ขาดสักอันได้ไหมไ ม, ไ, ไม่ได้เลยขาดพื้นที่หยียบที่ยันนี่มันไม่มีทางตัดได้นะสองขาดกําลังซะแล้วยกขวานไม่ขึ้นเป็นไงตัดไม่ได้ส ม, มีกําลังแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ตัดไม่ได้อีกใช่ไหมต้องมีทั้งสมแต่ทีนี้ว่าพอมีทั้งสมแล้วเนี่ยการที่จะมีเท่าไหร่ตอนนี้ชักจะยืดยุืนละ ถ้ามีดีหมดศีลบริบูรณ์พื้นหยียบยานก็มั่นคงนะสองกำลังก็ดีแข็งแรงมากสามอุปกรณ์มีดขวานก็คมมากตัดชั่วต้นไม้ขาดเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีก็ครั้งเดียวขาดเลยอแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นไม่แน่น แต่ว่ากําลังแรงดีมากอาวุธคมมากใช่ไหมที่เหยียบไม่แน่นนักก็ช่วเดียวมันขาดใช่ไหมเออก็ยังพอตัดได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เกิดว่ากําลังไม่ค่อยดีเนี่ยพื้นแน่นกำลังไม่แข็งแรงนักแต่มีดขวานี่คมจังเลยใช่ไหมก็ช้วเดียวได้เหมือนกันบางทีก็อ่าบางทีช่วเดียวยังไม่ขาดเพราะว่ากำลังมันน้อยไป ก็ยังพอไหวใช่มตัดก็ได้ทีนี้อะไรอ่ะทีนี้ว่าถ้าหากว่าปัญญาตัวอาอุปกรณ์ไม่คมอุปกรณ์มีดขวานไม่คมชัดต้องพื้นแน่นกำลังแข็งแรงมาก็ตัดหลายๆทีมก็ขาดได้ใช่ไหมอันนตกลงว่าองค์ประกอบสามอย่างต้องมีขาดไม่ได้เลยแต่ว่าไอจะเอาอย่างไหนให้มันเต็มที่ได้หมดมันก็ดี นี้ถ้าว่ามันไม่ได้เต็มที่ก็อย่างที่ว่าก็ดูว่ามันจะต้องให้อย่างไรอย่างหนึ่งมันมีควา ม, มกาลังแข็งแรงมีเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ใช่มมาช่วยกันเพราะฉะนั้นว่าคนที่มีปัญญามากเนี่ยแม้แต่ว่าพื้นไม่แน่นนักนกําลังไม่ดีนักแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้ผลใช่ เพราะว่าความเฉียบคมนั่นแกพื้นไม่ดีมาฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นแกบรพัฒนาตัวพฤติกรรมแกก็อยู่ในความเรียบร้อยเฉพาะน่ะจิตแกก็มีกําลังเอาจริงเขาจังตอนฟังพระพุทธเจ้าได้เกิดสมาธิเพราะว่าสนใจจริงๆปัญญาแกพื้นก็นดีเฉียบคมมากแต่ฟังพระพุทธเจ้าก็ชั่วฟันขาดเลยใช่ไหมฮทีนี้หลายคนนี่ปัญญาไม่คมเลย ทำไงต้องมาสร้างพื้นให้แน่ น, นต้องมาสร้างจิตให้มีกําลังให้พอใช่ไหมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักการอะไรกันโอ ว, ว่ากันหลายขั้นตอ น, นพอเข้าใจเนอ่ในสุดที่ผมมีการมีการเสร็จคุณนั้นก็เนื่องจากว่าในระหว่างที่ ว่จิตคงบางครั้งจะผัดแหวกคือสมาธิน้อยสมาธิน้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้ความรู้คุณตาอาจารย์เองก็ในส่วนนี้ที่จะเป็นเป็นให้เนที่ น, นก็ต้องต้องเป็นหลักกรณีที่เรียนถากน ม, ม ก, ากา ร, รเรีนนั้นมาตรการเกษตรทุกก็คืออยากจะได้หลักนี้ไปเ่อในในในการเรียนในการสอนเด็กนั้นถ้าเราได้หลักไปแล้วยเายิ่ง ว่าเป็นสิ่งที่เราาผมต้องไปพิจารณาเปรียเทียบในสิ่งเรีนแล้วก็ระยุ์ในคํางรู้ของนแต่ว่าอ๋อแต่ว่าที่ฟังนี่เข้าใจแล้วนะฮน ะ, อ, ะอันนี้ปริปริญตาอาจารย์รถามอะไรคนจะไปถึงไหนอย่างไรนั้นก็แล้วแต่คนจะใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาว่าแต่ละคนปฏิบัติดโดยอาศัย กิริยิจัติเปรเวผลเปรีเวจะเป็นอย่างไรก็ต้องพึงง่งอยู่กับปัญญาต้องต้องครบสามต้องครบทั้งศีลสมาธิปัญญาใจสิกขาโดยเฉพาะตัวที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือปัญญานี่แหละใช่ไหมเพราะเป็นตัวทํางานแท้เลยเป็นมีด ท, ที่จะตัดกิเลสทำให้เข้าถึงเป็นตัวแสงสว่างก็ได้เป็นตัวส่องทะลุให้เห็นตัวความจริงน่ะ เป็นแสงสว่างหรือเป็นมีดอุปกรณ์ที่คมก็ปริยัตนะครับคือคําบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้านะปริยัตเนี่ยที่จริงไม่ใช่ทฤษฎีแต่เราไม่มีคําสมัยนี้ที่จะเทียบเราก็ใช้คำว่าตรีศรีแต่ที่จริงไม่ใช่ปริยัตคําบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ผ่านมาแล้วพระองค์ก็มาเล่าเราฟังเราก็บันทึกกันไว้เพราะฉะนั้นเราจึงถือสําคัญมากเลยปริยัติคือพุทธพจน์ ถือพระไตรปิดกเป็นสําคัญเมื่อไงเราจะรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรผ่านอะไรมาสอนว่าอย่างไงใช่ไหมนั่นโบราณอาจารย์ถือสําคัญว่าอันเนี้ยนถือปริยัติเป็นรากพระศาสนาเลยเพราะเมื่อไงเราก็กลับไปเป็นโยคีหรือศีดาบทตามเดิมเพราะว่าเราไม่อาศัยประสบการณ์พระพุทธเจ้าเราก็ไปลองผิดลองถูกเอาเองแล้วก็เข้าป่าไปปฏิบัติด้วยตนเองอ แล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าแหละใช่ไหมใครพูดว่าไม่ต้องใช้ปริยัตเท่ากับพูดบอกว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเามื่อไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าก็หมาจะเป็นต้องมาบวช ด, ด้วยใช่ไหมใช่ไหมก็ไปค้นพาเองสิใช่ไหมก็ไว้ใจตัวเองก็หมดเรื่องปริยัติแปลว่าเป็นคําบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยก็ถ่ายทอดกันมาเราก็เลยต้องเล่าเรียนเพื่อเราจะได้รู้พระองค์สอนว่ายังไง เราจะได้ปฏิบัติได้ในสองปฏิบัติก็คือนะําเอาคําสอนของพระองค์มาปฏิบัติคําสอนถึงพระงค์ของพระองค์ที่สอนเราให้ปฏิบัติก็รวมแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาคําพูดสั้นๆก็คือใจสิกขานั่นเองอันนี้คำว่าศิกขาเนี่ยแปลว่าศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่าศึกษาเนี่ยอยู่ที่ตัวปฏิบัติ นี่ในภาษาไทยปัจจุบันนี่ศึกษาไปเอาที่เล่าเรียนยุ่งหมดนะศึกษาคือสิกขานี่ได้กระสีสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติเพราะฉะนั้นปฏิบัติได้กรศสีสมาธิปัญญาอ้าวปฏิบัติได้กระสีสมาธิปัญญาก็ได้กระตรายสิกขาเพราะฉะนั้นปฏิบัติได้กระสีสิกขาได้การศึกษานั่นศึกษาคือปฏิบัติปริยัตเป็นเบื้องต้นในการศึกษาทีนี้เวลาพูดสั้นๆเนี่ย ปฏิบัติมันต้องอาศัยปริยัติล้วก็เลยพูดควบว่าศึกษาเนี่ยก็คือปฏิบัติไปตามที่ได้เล่าเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้เล่าเรียนเพราะถ้าไม่ได้เรียนมามันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดสั้นๆศึกษามันก็รวมทั้งปริยัติและปฏิบัติแต่มันมาเป็นตัวจริงของศึกษาเนี่ยที่ปฏิบัติอ้าวไปอาว่าแยกเป็นปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท ถ้าพูดสันส้นๆศึกษาเท่ากับปริยัติปฏิบัติเลยทีนี้ต่อไปพอศึกษาหรือว่าพูดแบบแยกก็เป็นปริยัติปฏิบัติทีนี้ผลได้เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทนี้มุ่งเอาที่มรรคผลนิพพานเลยที่จริงนะถ้าจะเอากันจริงๆเนะี่ยมุง่งมามรรคผลนิพพานคือปัญญาชั้แรกเข้าถึงสัจธรรมเลยปฏิเวทนี่แปลว่าชัแรกแทงทะลุ แทงทะลุเลยถึงตัวสัจธรรมความจริงชำแรกทําลายกิเลสได้เลยน เ, เนีอันนี้ก็ต้องถึงมักผลนิพพานแต่ว่าเราก็เอามาใช้เป็นแบบอนุลโลมว่าเอาละปฏิบัติไปได้ผลก้าวหน้าไปได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติก็ถือเป็นปฏิเวชใช่ไหมแต่ใช้โดยอนุโลม จริงแล้วปฏิเวททางอุปถัศนาจุดสูงสุดคือนิอพพานคือการบรรลุนิพพานาปฏิเวทเป็นตัวการบรรลุนิพพานไม่ใช่ตัวพรนิพพานาพระนิพพานนี่เป็นอสังกัรธรรมปฏิเวทเป็นกิริยาการบรรลุนิพพานนอกจากว่าเราจะแปลสมัยนิพพานคือองค์ธรรมภาวะที่เราได้เข้าถึงใช่ไหมแปลเป็นกรรมไปแปลว่าภาวะที่เราได้บรรลุ แต่ว่าปฏิเวทมันตัวการกระทํำนี่มันแปลว่าการเข้าถึงใช่ไหมการบรรลุอะไรเงี้ยไอตัวการกระทา ม, มันไม่ใช่ตัวนั้นเหมือนกับเราเดินทา ง, ปงไปเชียงใหม่การถึงเชียงใหม่กับเมืองเชียงใหม่ไปอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นไหมเชียงใหม่กับการถึงเชียงใหม่มคนละตัวเนี่ะนั้นปฏิเวทคือการถึงเชียงใหม่ไม่ใช่ตัวเชียงใหม่ใช่ไหมเนี่ยเข้าใจนะ นอกจากว่าเราแปลสมยัยเชียงใหม่ที่เราถึงว่างั้นเชียงใหม่ที่เราถึงแปลปฏิเวทเป็นเชียงใหม่ที่เราถึงแต่ว่าถ้าแปล ต, ตั ว, ปวเป็นสภาวะสิก็เปลี่ยนเหมืนอนกับว่านิพานก็ถ้าเราเปลี่ยนเหมือนจุดหมายก็อย่างเราจะไปเชียงใหม่ก็นิพานเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมและก็การบรรลุนิพานก็คือการเดินทางไปถึงเมืองเชียงใหม่ก็เป็นปฏิเวท พ่ตกวิจาเรื่องสติกับสมาติมีไม่ทราบพอจะเทียบเทียมกันได้ไหว่าขั้นของการวิโตกนี่ใกล้ก่บเป็นขั้นที่สติทํางานและขั้นของการวิจารณนี่เป็นขั้นที่เสม็ดเริ่มเกิดสมาธิสมาธิเริ่มจะอยู่ตัวอะไรองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พวกนี้มันเป็นตัวประกอบเท่านั้นไม่ใช่ตัวทํางานสําคัญวันเป็นคุณสมบัติในระหว่างทํางาน ที่ก้าวหน้าไปถึงระดับนี้ระดับนี้มีเจ้าพวกนี้เกิดขึ้นในใช่ความคิดว่าอย่างช่วงที่วิตกบีสติก็ต้องเป็นตัวเด่นแล้วก็ถึงช่วงวิจารณ์ิตามาที่จะเด่นแทนตัวสติอะไรอย่างเงี้ยคราบ ม, มันมันเป็นตัวรองรับในการทํางานตลอดเวลามีวิตจกวิจารณ์มีอะไรต่ร้งหลาคือคุณสมบัติฝ่ายจิตนี่มีเป็นหลายสิบมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ตัวทํางานสำคัญก็มีเจ้าสามตัวมีเจ้าวิริยะความเพียร มีเจ้าตัวสติมีเจ้าตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวยืนเลยไอเจ้าพวกนี้ตัวยืนไอเจ้าอื่นก็มาประกอบอาจจะใช้ตอนนี้ใช้ตอนนั้นแล้วแต่ใช่ไหมอย่างเมตตาเข้ามาศรัทธามาอะไรแล้วแต่เยอะแยะนิ่มิโต ว, วิจารณ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่เราฝึกสมาธิฝึกสมาธิไปถึงระดับนี้อเอพอสมาธิมันอยู่ตัวจิตมันอยู่ตัวถึงระดับเนี่ย คุณสมบัติในจิตมันก็เป็นไปเองมันจะมีคุณสมบัติในจิตอย่างนี้อย่างนี้เพราะจิตมันไปถึงสมาธิระดับนี้คุณสมบัติมันก็อยู่ในระดับนั้นก็จะมีอะไรเกิดเราก็มาแยกดูสิอ๋อท่านก็แยกดูอ๋อสมาธิมาถึงระดับนี้นะมันจะมีคุณสมบัติประกอบอยู่ด้วยแบบนี้นะเรียกว่าวิตตวิจารปิติสุขใช่แล้วก็เรียกว่าเออถ้าจิตมันเป็นสมาธิระดับนี้มีองค์ ประกอบในจิตอยู่อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่านี่จิตถึงปฐมฌานใช่ไหมฮก็คือเรื่องของที่ว่าการที่จิตเข้าถึงสมาธิเนี่ยมันแนบสนิทขนาดนันแต่มันถึงปฐมฌานก็เป็นอัปปนาและแนวแนว่ละแล้วลตัวเอกคตาเนีเป็นตัวสมาธิมันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกขาตาเจ้าเอกคตาเนี่ยตัวสมาธิแหละรองรับอยู่แล้วใช่ไหมนี ทีนี้ไอ้เจ้าวิตกวิจารก็คืออาการทำงานของจิตในระดับนี้ระดับที่มีเอกัตตาระดับนี้มันก็จะมีวิตกวิจาร์มีปิติมีสุขต่อไปมันอยู่ตัวหนักข้าไปอีกไอ้เจ้าวิตกวิจารหายใช่ไหมพอจะเข้าใจน ะ, ะมีอะไรอีกไหมครับอ่าเพราะยังมีเวลาคุยกันต่อแล้วพรุ่งนี้จะได้ ไปถึงเรื่องปัญญาพอไปพูดถึงปัญญาแล้วเราจะเข้าใจชัดขึ้นในสิ่งที่เราพูดไปแล้วคือฟังไปแล้วนี่มันอาศัยสิ่งที่เรารู้ต่อแล้วมันก็จะมาโยงทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น